เมื่อวานก็ได้มีการสนทนาปุ้ชายวิสัชนากับฝรั่งทนนี่เข้ามาปลูกป่ามีคนหนึ่งถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไร่ควรยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นและเมื่อไหรควรจะขนวควเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลง อันนี้เป็นคาถามที่สำคัญมากเพราะว่าคนเราจะสุขหรือทุกข์หรือว่าจะเจริญหรือเสื่อมก็พะก็อยู่ที่ว่าเราสามารถที่จะบอกได้ตัดสินได้ว่าเมื่อไหร่ควรจะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ควรจะ เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราฝร่งนี้เขามีเขามีบทสวดอันหนึ่งนะเป็นบทที่อธิษฐานกับพระเจ้าเมอแต่อธิษฐานขอให้มีอายุวันณสุขภัละหรือว่าร่ารวยประสบความสำเร็จแต่เขาอธิษฐานว่าขอให้ มีปัญญาที่จะแยกแยะได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรยอมรับอะไรสิ่งที่ควรเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงได้หรือบางทีก็อธิษฐานมากขนาดนั้นเราขอให้สามารถที่จะมีความสงบเจ็นในการยอมรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วก็มีความ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 การรักษาเยียวยาก็ท ร, รมานมากก็ยังสู้ในอาะที่บางคนนี่เขายอมรับเขาก็สามารถที่จะกินได้นอนหลับถึงแม้ว่าอายุจะสั้นเนะพราะไม่ได้พยายามยือ้อต่อสู้กับความกับความป่วยแต่ว่าก็มีความสุขคุณภาพชีวิตดีตรงข้าคนที่พยายามยื้อพยายามสู้เสียเงินเสียทองไปมากมาย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 แต่ว่าไปมันยังตัดสินได้ง่ายนะว่าเมื่อไหรควรจะยอมรักหรือเมื่อไหรควรจะสู้หรือว่ากรณีไหนควรจะยอมรักว่เออมันทำอะไรไม่ได้ทําใจอย่างเดียวหรือกรณีไหนควรจะสู้สุดหรือแต่บางยามก็ยากเนี่ยเช่นเวลาทํางานเนี่ยเรื่องงานมันมันมันไม่สําเร็จนทำยังไงก็ทําไม่สําเร็จ ควรจะยอมรับแม้ว่าทําไม่ได้หรือว่าควรจะสู้ต่อไปเพราะว่าสิ่งหลายสิ่งอะไรอย่างที่เราคิดว่าทาไม่ได้แต่มันก็ดันทาได้หรือเป็นไปได้สมัยก่อนก็มีใครคิดว่ามนุษย์เราจะไปถึงดวงจันทร์ถ้ายอมรับว่าเออเรามนุษย์เราไปดวงจันทร์ไม่ได้เนก็จบแต่ความจริงคือว่าถ้าภาคเพียงพยายาม รุนแล้วรุนเล่าคนแล้วคนรล่ามันก็ไปถึงจนได้หรือแม้แต่เครื่องบินเนี่ยแต่ก่อนก็คิดว่าโคมงเราคงจะบินไม่ได้เหมือนนกน ย, ยอมรับความจริงซะแต่ที่จริงความจริงก็คือเราสามารถจะบินได้เหมือนกันนะแต่ว่าใช้เครื่องบินหลายคนมีความทุกข์กับการที่ไม่ยอมรับสิ่งที่มัน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 คนตาบวก็ไปถึงมนแล้วเอเวอเรสยอดสุดยอดแปดกิโลเมตรจากระดับน้ำทะเ ล, ละคนพิการก็ไปถึงเหมือนกันคนแก่เจดสิบก็ไปได้แค่ในชีวิตจริงนี่มันมันมันจะมีอะไรต่อมันจะมีหลายกรณีหลายเหตุการณ์มากที่ตัดสินใจบอกไม่ได้ว่า เมื่อไรควรยอมรับและเมื่อไหรควรจะต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเปลี่ยนแปลงแล้วใครใครที่ไม่รู้ใครที่ตอบไม่ได้นี่ก็มีโอกาสาที่จะทุกข์มากนะบางทีทุกจนมันตายอย่าเมื่อสักสองสาร้อยปีก่อนมันมีนักแต่งเพลงเึ่งชื่อโมสาดโมสานนี่เป็นอัจฉริยะมาก แล้วก็แต่ว่าก่อนที่โมซาร์ทจะดังเนี่ยก็มีนักแต่งเพลงที่ดังมาก่อนแล้วนะมีชื่อแต่ตอนหลังก็โดนโมซาร์ทบทลสุดดับลสุดเรียกว่าแซงหน้าไปเขาก็ไม่ยอมเขาพยายามที่จะไม่ยอมรับความจริงว่าตัวเองสู้ไม่ได้ก็พยายามทําทุกอย่างทําทุกอย่าง ทงพยายามเคี่ยวเข็นฝีมือผลิตฝีมือแล้วแล้วก็พยายามที่จะหาทางกลั่นแกล้งโมศากแต่ก็ไม่สำเร็จสุดท้ายก็ตายด้วยความตรอมตรมนะตรอมใจนะว่าไปไปแพ้เด็กเมื่อวันศืนอันนี้เรายอมรับยอมรับไม่ได้ว่าเราเป็นรองเขา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 อย่างเช่นการโค่นล้มเด็กการเนี่ยในหลายประเทศเนี่ยมันก็เริ่มจากคนเล็กๆเด็จการที่ยิ่งใหญ่อย่างมาคอสนี่ก็มันก็เริ่มต้นจากคนไม่กี่คนที่พยายามจะสู้ไม่่ถูกปราบปรามยังไงถูกฆ่ายังไงก็ไม่ยอมพยายามสู้โดยใช้สันติวิธีสุดท้ายก็โค่นมาได้ ตอนที่มีคนบอกว่าให้ไปล้อมให้ไปขวางทหารเอาไว้โดยมือเปล่าโดยรูปกรรมโดยใช้แมก่กางเขนไปควางทหารควางรถถังเอาไว้ย้รถถังเขามาบุกเข้ามาคนก็เกลี้ยเป็นไปไม่ได้นะทําก็สําเร็จนะแล้ ว, วพอคนมาร่วมมากขึ้นก็มาข้อก็ต้องหนีไปอ ย, อย่างการพัง ทลายกำแพงเบอร์ลินเนะี่ยหรือว่าทำลายภับไล่ที่ผลของรัเสเซียในตนในยุโรปตัน อ, อน่อนนี่โอนเป็นเรื่องที่คนคิดเป็นไปไม่ได้นะรัเสเซียนี่มันยิ่งใหญ่เหลือเกินในเยอรมันนี่คอมมิวนิสต์ก็มีที่พลมากคนก็ไม่ยอมนะแทนที่จะเจ้าจุบยอมรับว่าเออชาตินี้ต้องอยู่กับ คอมมิวนิสต์ไปจนตายหรือชาตินี้ก็ต้องอยู่กับรัเสเซียไปจนกว่าจะรุ่นลูกลุ่นหลานเขาไม่ยอมเข า, เขาพยายามสู้เขาบกว่าสามารถจะพังทลายกําแพงเบอร์ลินได้สามารถที่จะท้าทายคอมมิวนิสต์จนกระทั่งคอมมิวนิสต์มันฝ่ายแายแพ้ไปเองรัเสเซียก็ต้องถอนตัวจากตะวันยุโรปตะวนออก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 ตัดสินไม่ได้ว่าเมื่อไหร่ควรจะยอมรับหรือเมื่อไหรควรจะต่อสู้สิ้นล่นสุดลทิ์นะถ้าว่าคนเรานี่รู้นะมีปัญญาที่จะแยกแยะได้รู้ได้ว่าแบบนี้ต้องยอมรับแบบนี้ต้องสู้นะมันก็ชืวนมันก็จะง่ายขึ้นเยอะแต่มันก็ไม่พ้นมันก็ไม่หลือวิสัยนะที่คนเราจะ สามารถพัฒนาจนกระทั่งมีประสบการณ์มีปัญญาที่จะรู้ได้เรื่องนี้มันก็บอกตายตัวไม่ได้นะว่าเมื่อไร่ควรจะทำอะไรมีเพื่อนเขาเล่าว่าเคยไปไว่ายน้ำแถวแถวระยองหรือแถวเนี่ยแถวอืแถ ว, แถวจังหวัดเนี่ยชายทะเลเนี่ย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 เพาคลื่นมันแรงมากยิ่งว่ายิ่งไปไกลเรียกร้องให้เพื่อนช่วยเพื่อนก็พยายามก็มาช่วยแต่ว่าพอเจอน้ำซัดออกไปก็รู้ว่าไม่ไหวแล้วต้องยอมแพ้อถอยกลับมาเขาเองก็เจอแบบนี้เขาก็พอตั้งสติดได้เขาก็ก็คิดว่าวันนี้คงตายแน่แล้วเขาก็เลยยอมยอม หยุดหยุดไหว้ยอมลอยคอตอนนั้นใจสงบมากพร้อมแล้วพร้อมที่จะตายแล้วก็รออยู่สักพักนึกว่ารอรอความตายจุๆก็รู้สึกว่ามีคลื่นซัดค่อยๆซัดเข้าหาฝั่งลืมตามมาดูอ้อมันมีคลื่นนะที่ สัตว์เข้าข้าหาฝั่งใกล้ขึ้นเรื่อยๆก็ดีใจเรียกเพื่อนเพื่อนก็เลยรีบว่ายมาช่วย mm hmm. ตอนหลังเขารู้ว่าตรงนั้นมีคนตายมาเยอะแล้วตายมาเยอะเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าถูกน้ําซัดออกไปถูกคลื่นซัดออกไปกลางทะเลนะแต่ว่าเป็นเพราะว่าพยายามแยามที่จะว่ายเข้าหาฝั่งแต่คลื่นคลื่นไอ้คลื่นใตน้น้ํามัน มันแรงมากหลายคนไหวจนหมดแรงตายเพราะหมดแรงนะแล้วที่หมดแรงก็ไปไหว้ไหว้สู้กับคลื่นแต่ว่าเขาเนี่ยจะเรียกว่าโชคดีหรือทําใจถูกก็ไม่รู้นะเขาบอกว่าเขายอมนะยอมจะตายก็ตายปรากฏว่าพอลอยคอยอยู่สักพักเนี่ยค่อยๆมันก็ค่อยๆเคลื่อนออกมาจากคลื่นใต้น้ํา ขึ้นใตนั้นมันเป็นแถบนะแต่มันเป็นแถบแคบแคบถ้าแทนที่จะไหว้ไหวส้สู้สู้กับกระแสน้ําลองเปลี่ยนมาเป็นไหว้ตัดกระแสน้ำประเดี๋ยวเด๋วก็จะออกจากกระแสน้ําได้คือไหว้ขนานกระฟังถ้าไหว้ขนานกระฟังก็จะออกมาจากกระแสน้ําแล้วก็ปลอดภัยแต่เขาไม่รู้เรื่องนี้เลยแต่เขารู้เองว่า เขเขียเพงว่าสู้ไม่ได้ยังไงก็สู้กระแสน้ำไม่ได้ก็ยอมรับยอมดีกว่าคือยอมตายปรากฏว่ากลับรอดนในกรณีแบบนี้เนี่ยมันก็เชื่อว่าเนี่ยบางทีการยอมรับตังหากที่ที่ดีที่สุดยพยายามสู้ยิ่งสู้ก็ยิ่งก็ยิ่งแท้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 ก็พยายามทำทุกอย่างแทนที่จะนอนรอขา้าความตายก็พยายามดิ้นรนทุกอย่างก็เสือกกระสนเพื่อให้มีชีวิตรอแล้วก็รอดจนได้เขามีมีเรือเรื่อสมุทรผ่านมาเห็นเขา้าอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ที่ฝรั่งเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญฝรั่งมี่เขา เขาถูกฝึกมาเพื่อให้สู้นะสู้ทุกอย่างสู้แม้กระทั่งความตายนะแต่ตายแล้วก็ไม่ยอมแพ้อย่างสู้ดิน้นรนทุกอย่างแต่ว่าเขาก็รู้ว่ามันก็มีหลายอย่างในชีวิตนะี่ยมีโจทย์หลายอย่างที่สู้ไม่ได้ได้ได้ก็ต้องยอมรับหรือปล่อยวางแต่ปัญหาคือเราจะทําอย่างไรเนะี่ย มันก็มีโจทย์ยากๆหลายอย่างที่บางทีมันก็ไม่ยากนะแต่ว่าดูเหมือนว่ามันจะทําไม่ได้แต่ว่าทําไปทําไปก็ทําได้อย่างที่เคยเล่าเนี่ยคุณป้าเกาหลีคนหนึ่งแกอยากได้ใบขับขี่อายุกหกสิบ ก, กว่าแล้วมาอยากได้ใบขับขี่ตอนแก่ก็ไปสอบเอาใบขับขี่สอบปฏิบัติได้แต่สอบข้อเขียนไม่ผ่านนะ ค ำ, คำถามมีห้าสิบข้อถ้าแกตอบได้สามสิบข้อได้หกสิบคะแนนก็ผ่านแต่แกไม่เคยสอบได้ถูกถึงสามสิบข้อเลยแล้วก็สอบนั่นแหละตอนที่ได้ข่าวแกครั้งแรกเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์ปีห้าสองมันเป็นข่าวเพราะแกสอบไปแล้วเจ็ดรอยเจ็ดิบห้าครั้งใบขับขี่นี่นะ จริงสอบร้อยครั้งถ้าไม่ได้ก็ก็ควรเลิกแล้วนะร้อยครั้งนี้ก็มากเกินไปแล้วยิ่งถ้าคนไทยนี่สอบไม่ได้สอบสองครั้งไม่ได้ก็หาทางใหม่แล้วเช่นยัดมังยัดเงินมั่งหรือแม้แตใช้เส้นแต่วาจิเกาหลีมันทำากไไม่ได้นะเงินก็ยัดไม่ได้ใช้เส้นก็ไม่มีประโยชน์ก็ต้องสอบแต่ทำไมสอบไม่ได้ร้อยครั้งก็ยังสอบอีก สอมาเจ็ดรอยเจ็ดสบห้าครั้งไม่ได้นี่ก็น่าจะยอมรับได้แล้วนะว่ากูไม่มีความสามารถหรอกแต่แกไม่นะแต่ก็ยังสอบอยู่นี่ว่ะสอบวันเล่นวันเลยเรากว่าพอปลายปีเนะี่ยพฤศจิตกายจะสอบได้นะเป็นข่าวเหมือนกันเป็นข่าวครั้งหนึ่งนะสอบได้เพราะว่าหลังจากที่สอบไปแล้วเก้าร้อยห้าสิบครั้งแตบบ่นี่แปลว่าอะไรแปลว่า การที่สอบไม่ได้สอบแปดร้อยครั้งไม่ได้ก็ไม่ได้แปลว่าชาตินี้จะสอบไม่ได้ถ้าหากทดลองอีกสักร้อยครั้งอาจจะได้ก็ได้ในกรณี้ถ้าคุณปา้าแกยอมรับว่าฉันสอบไม่ได้นะยอมรับหรือยอมแพ้นะก็ก็คงไม่ได้ไปกับขี่นะแต่แกพิสูจน์ว่าฉันทำได้นะถ้าเพียงพยายาม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 ถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ให้เกิดผลก็ต้องเริ่มต้นที่ความเพียรพยายามแต่ว่าเพียรพยายามยังไงถึงจะไม่ทุกข์นะก็ต้องรู้จักทำใจก็คือว่าภาพเพียรพยายามก็จริงนะแต่ว่าใจนี้ก็ปล่อยวางด้วย ไม่ได้ยึดมั่นถือมว่าต้องให้ได้ต้องให้ได้ต้องทำให้ไ ด, ตได้ต้องให้สำเร็จนคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าออเปลียนพยายามแล้วเนี่ยนะก็จะมีความยึดมั่นไปด้วยวันเนี่ยจะต้องทาต้องให้ได้ต้องสำเร็จพอคิดแบบนี้เข้าเนี่ยเวลาไม่สำเร็จนะก็จะทอ้อแล้วก็เป็นทุกข์ จริงมนมันทุกตั้งแต่ตอนที่ยึดมั่นให้ได้แล้วต้องให้ได้ต้องสาเร็ จ, จเกิดความเครียดขึ้นมาจริงๆเนี่ยในหลอดที่เราเพียงพยายามเนี่ยนะเราสามารถจะทำใจนะไม่ให้ทุกได้ก็คือว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นกับผลที่มันจะเกิดขึ้นหรือไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปคิดถึงผลที่จะเกิดขึ้น เหมือนกับขับรถเดินทางไกลเนี่ยกังวลหรือคิดแต่รุนว่าเมื่อไหรจะถึงเมื่อไหรจะถึงไม่มีประโยชน์เลยมีะไรทำให้เครียดเราก็ไปเราก็ขับรถไปขับไปเรื่อยๆถึงเมื่อไหรก็รู้เองระหว่างที่ยังไม่ถึงก็ไม่ต้องไม่เครียดไม่กังวลกับจุดหมายปลายทางอยู่กับปัจจุบัน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 แล้วก็ไปต่อมันก็ไม่เครียด เ, ยเวลาทำงานก็เหมือนกั น, นทำงานก็ทำเต็มที่ผลมันจะมาอย่างไรก็เป็นเรื่องของอนาคตอันนี้ก็เราทำด้วยใจปล่อยวางปล่อยวางในผลที่จะตามมาถ้าทำนี้ได้เนี่ยระหว่างที่เราเพียรพยายามพยายามที่จะสู้ ใจก็ไม่เครียดไม่ทุกข์มากผลออกมาไม่สําเร็จก็ไม่ทุกข์ยังมีเรี่ยวแรงทําต่อไปอย่างคุณป้าคนเนี้สอบมาร้อยครั้งแล้วก็ยังไม่สําเร็จนะแกก็ไม่ท้อคนที่มุ่งมัน่นถ้ามุ่งมั่นมาเนี่ยยึดมั่นถือมั่นให้ได้จะต้องสอบให้ได้ต้องสอบให้ได้เนี่ยยิ่งมีความมุงม่งมั่นมาเนี่ยพอไม่ได้มันท้อเร็วท้อง่ายเนี่ย ไม่ต้องถึง1้อยครั้งนะสอบนะแค่สอบห้าสิบครั้งไม่ได้ก็กเลิกสอบแล้วกูผิดหวังผิดหวังอย่างแรงเพราะว่ามีความคาดหวังมากเมื่อมีความคาดหวังมากคาดหวังสูงมันก็ผิดหวังได้ง่ายเมื่อผิดหวังได้ง่ายก็ทุก็ทุก็ทุกง่ายมันทำได้นะแล้วทำทำเต็มที่แต่ว่าใจนี้ไม่ซีเรียส เรียกว่าทำกิจ ด, ด้วยทำจิต ด, ด้วยทำกิจคือเพียพยายามอะไรอย่านั้นก็ทำจิต ด, ด้วยทำจิตคือปล่อยวางที่ยิงปล่อยวางกับการไอที่จริงการยอมรับสิ่งที่ยอมรับกับการพยายามเปลี่ยนแปลงี่มันไม่ได้เป็นเรื่องขัดแยง้งกันนะที่พูดมาสักครู่นี่มันก็ว่ามันเป็นคนละเรื่องคนละคนละ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 มันเกิดขึ้นกับเราแล้วจะบ่นตีโพยตีพายปฏิเสธผักใสก็ป่วยการเสียพลังงานเสียอารมณ์เสียเวลาด้วยมันเกิดขึ้นกับเราแล้วก็ต้องยอมรับก่อนการยอมรับความจริงเนี่ยทาให้ใจไม่ทุกข์หลยอมรับเสร็จแล้วก็เข้ามาพิจารณาดูว่าเออแล้วมันจะทำอย่างไงจะทําังไงกับโลกนี้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 ทำจิตก่อนแล้วก็ค่อยทํากิตนะมันมันมันทําด้วยกันได้สําหรับกรณีเดียวกันไม่ใช่ว่ามะเร็งแบบนี้นี่ต้องยอมรับนะสู้ไปก็ไร ย, ยประโยชน์ส่วนมะเร็งแบบนี้นี่ต้องสู้นะอย่าไปยอมรับมันไม่ใช่เป็นเรื่องคนละฉาคนละตอนมันการยอมรับและการพยายามต่อสู้ ปรับปรุงแก้ไขนี่มันมันทำไปพร้อมๆกันได้หรือทำไปด้วยกันนะอย่างคุณป้าเนี่ยที่แกสอบใบกับขี่ไม่ได้เนี่ยแกก็สอบมาเจ็ด้ยครั้งสอบไม่ได้แกก็ยอมรับยอมรับว่าแล้วยอมรับในผลที่เกิดขึ้นนะแต่แล้วแกไม่ยอมแพนะ้ยอมรับในผลที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ยอมแพ้ก็ยัง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 ภาพเพียงพยายามได้อันนี้ถ้าทีวันนี้ต้องมาใช้การปฏิบัติธรรมด้วยนะมปฏิบัติธรรมเราก็มีเราก็มีความหวังนะว่ามนุษย์เราเนี่ยมันพ้นทุกข์ได้นชาวพูดเรานี่ต้องต้องมีความเชื่อเรื่องว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยพ้นทุกข์ได้เข้าถึงนิพพานได้แล้วก็เพีย ง, พ ย, งพยายามนะไม่งอมืองอท่าไม่เอาแต่อธิษฐาน สิ่งศักดิก์สิทธิ์เราขอให้ได้บรรลุนิพพานในชาติหน้าแต่ว่าก็พาดเพียงทำตั้งแต่เดี๋ยวนีนะ้แต่ขเดียวกันเวลาที่ทำก็ไม่ ใ, ใจจ ด, จดใจจ่อยว่าเมื่อไรจะเมื่อไรจะนิพพานสักทีเมื่อไหรนิพพาน ท, อานทีอันนี้เรียกว่าทํากิจไม่ทําจิตนะก็คือว่าไม่ยอมปล่อยวางในผลที่เกิดขึ้น ส่วนทําเต็มที่เราได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละทามาปฏิบัติทรมายี่สิบปีแล้วเออยังไม่บรรลุนิพพานเลยเอะก็ยอมรับความจริงแต่ก็ไม่ท้อก็ทําต่อภาพเพียนต่อไปนั่งการยอมรับกับความภาพเพียนพยายามต่อสู้ไม่ท้อถอยนี่มัน จริงๆมันไปด้วยกันได้ถึงแม้ว่าเราจะยอมถึงแม้ว่าเราจะไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่าโจทย์ข้อไหนที่ควรยอมรับโจทย์ข้อไหนที่จะต้องต่อสู้ดิ้นรนควนไควยแต่ว่าเมื่อเราก็ตามที่เราตระหนักว่า การยอมรับกับการต่อสู้ดิ้ลรนนี้มันสามารถจะทำด้วยกันได้เริ่มต้นที่เริ่มต้น ท, ท, ท, ท, ที่การยอมรับความจริงไม่บน่นไม่โวยวายไม่ตีโปรตีภายแล้วก็ลงมือกระทาระหว่างที่ลงมือกระทาก็ทำใจทำจิตปล่อยวางในผลที่เกิดขึ้น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 ในเรื่องการทำทากิจกับการทำจิตนี่เป็นสิ่งที่ควรจะพยายามไปด้วยกันนะความภาพเพียรพยายามกับการปล่อยวางมันไม่ใช่คนละขั้วมันทำด้วยกันได้การยอมรับกับการต่อสู้นะพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็สามารถจะทำด้วยกันได้ แล้วก็สรุปบทเรียนกันไปเรื่อยๆว่าเออตกลงถึงที่สุดแล้วนี่ควรจะสู้ต่อไปหรือควรจะหยุดแล้วก็ยอมรับความจริง<ม>อ่ะละช้อนน้วพื้นเท่า น, นี้ครับครับ